เราสังเกตได้ไหมว่าเวลาในสายงานภาวนาแบบยกมือของหลวงพ่อเทียนเนี่ยสังเกตไหมว่าเขาจะไม่ค่อยอธิบายเรื่องศีลกันนจะเล่นในเรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาไปเลยแล้วใคยมีใครพูดเรื่องศีลพอจะพูดเรื่องศีลก็คือพูดแบบปกติคือศีล แล้วสังเกตุเราบางทีนักปฏิบัติที่ภาว น, นาไปบางทีมันมีมีตัวปัญญามากกว่าตัวศีลเนี่ยมันจะเป็นปัญญาเฉโกปัญญาโกดโกงไปเลยเป็นปัญญาเอาปัญญาคือเอาความรู้ที่เกิดทางปัญญาของเรานะแล้วก็ไม่มีการฝึกปัญญาใส่ของศีลนะเอามาคิดอย่างตัวอย่างง่ายๆที่จะมาชอบเจอ บ, บ่อย ปกริทาผิดบอกว่านี่มันผิดสีนะท่านอย่าไปยึดมันถือมันเลยอันนี้เรื่ปัญญาเฉโกปัญญาในการที่ป้องกันตัวเองไม่เปิดเผยตัวเองแล้วทาไปนานเขา น, านั้นก็จะเพี้ยนเพราะราษฎไม่มีแต่สังเกตดีที่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะก็ น, นิ้นไปเลยนิ้นไปภาวนาไปเอาไปสิ่งกับปกติ ถ้าปกติยังไงเคยถามไม่ปกติมันยังไงแต่พูดบางคนพูดสิ่งทปกติปกติเราต้องเข้าใจมันดีๆจริงๆล่างฐานอันนี้ผู้เจ้าท่านบัญญัติไว้อยู่นะว่ามันเป็นปางทางของการเดินเข้าสู่เส้นทาง ของการประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะถ้าเริ่มต้นไม่ถูก ม, มันไปไหนไม่เป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นของมันวนนี้จะลองลองอธิบายตรงส่วนนี้เท่าที่สติปัญญาพอจะมีนะจากการฝึกส่วนหนึ่งการฝึกศึกษาส่วนหนึ่ง อย่างเราดูตัวอย่างของตัวศีลก่อนตัวศีลเนี่ยมันจะแยกได้สองกลุ่มสองกลุ่ม ใ, ใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม เ, เรื่องเรื่องของเรื่องผิดศีลเรื่องผิดศีลกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องทําวิธีทําให้ผิดศีล เรื่องผิดศีลในเรื่องที่ทําให้ผิดศีลเนี่ยเป็นเป็นเรื่องตัวอย่างจะง่ายๆว่าวมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจะบัญญัติใช่ไหมเหมือนกับกฎหมายอ่ะกฎหมายมันต้องมีเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วเขาจะเอากฎหมายตราขึ้นไปว่าเออเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะใช่ไหมในเกณฑ์เดียที่พระเจ้าทำบัญญัติไว้อ่ะศีลสองศีลจากพระเนี่ย สิ่นในพระปฏิโมกข์ส่า2 2เนอกาะปฏิโมก่าอีกเยอะแยะมากบายนะนี่ก็ส่วนหนึ่งคือเรื่องที่พระพิสุสงฆ์ทำผิดแล้วก็บัญญัติขึ้นมาพระชาบัญญตัติแล้วก็สี่งของสมัญนินะสิงของพิสุนีก็มากกว่าสิงของพิสุสงฆ์นั้นเกินเกือบ300 แล้วก็ศีลของสามเณรอีกใช่ไหมแล้วก็ศีลเองนั ก, นกถือบสดศีลโบสดอีกศีลแปดใช่ไหมแล้วก็ศีลห้าพระเจ้าจะจะบัญญัติระดับของคนเอาไว้หมดเลยประชาชนธรรมดาที่เป็นครวัตของเรือนเนี่ยควรมีศีลห้าเป็นพื้นฐา น, เ, นเรื่องศีลห้าก็าจะไปผิด5ข้อนี้ทําผิดไปแล้ว5ข้อนี้มันจะมีโทษ มันมีคุณยังไงมีทโทษยังไงพระเจ้าท่านไม่ใช่บัญญัติแบบให้รู้จักคุณจากโทษนะสี่ห้าเนี่ยมันมีอยู่ในเดิมเดิมของของปกติของมนุษย์เลยนะก็เลเมื่อก่อนเรียกเทวตาเทวธรรมเทวตาธรรมห้าธรรมห้าประการของการเป็นมนุษย์ธรรมของเทวดาหรือธรรมของการเป็นมนุษย์ที่จะดีที่ประเสริฐเนี่ ส่ัยกองก็สอนก็อยู่แล้วตอนหลังมาเจ้ามาไ ม, ไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนจะมาเป็นศีลตอนไหนนี่ไม่แน่ใจแต่เมื่อก่อนก็ใช้ก็ว่าทํา5ประการการฝึกปฏิบัติธรรม5ประการเนี่ยเราก็จะไล่มาเป็นศีลแปดศีลศีลอุโบสถนะแล้วก็ เป็นสินสิบของสมานเณรแล้วก็สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระสงฆ์แล้วก็สิน 200, สามร้อยของพิสุนีแล้วก็นอกปได้นอกปฏิโมก์อีกแต่เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยตัวยอย่างชิ่ง<ม>พิสุ<ม>ไปรับเงินรับทอ ง, งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องทำไมประโดนชาวบ้านโพนธนาติเตียน ว่าเออเป็นนักบวแล้วทำไมยังใช้เงินใช้ทองอยู่อย่างเงี้ยก็พูะเจ้า ก, ก็เลยบัญญัติขึ้นมาว่าไม่ให้พระภิกษุนี่นะไปรับเงินรับทองเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ไปทําลายศรัทธาศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่มีอยู่ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เพื่อป้องกันอาสวะในอนาคตอีกมากมายที่จะเกิดเจากจุดเนี้นั่นคือส่วนหนึ่ง นี่คือตัวอย่างของเรื่องมีอีเรื่องเ ย, ยอะแยะมากเรื่องการรับประเขนเหมือนกันก็มีตัวอย่างแต่ทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องที่จำดีๆนะเรื่องที่ทำผิดแล้วยิงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาใช่ไหมนะแต่ทีนี้ตัวที่พาไปทำผิดเนี่ยมันอยู่ที่ไห น, นตัวที่พาไปทำผิดมันอยู่ที่ไหน ต้องรู้จักก่อนถ้ารู้จักหลักว่าเออหนี่ตัวนี้เองที่พาไปทำผิดเนี่ยมันจึงเกิดเรื่องเกิดปัญหาเกิดราวรู้ไหมว่าตัวที่ทำผิดมันอยู่ที่ไหนเฮ้ตัวไหนนะอะอันนั้นก็ใช่มันมีอยู่สามตัวที่ไปทำผิดเยมันมีสามระดับ ตัวทำผิดที่เป็นตัวลึ ก, ลกๆภายในนี่ตัวหนึ่งตัวต้องผิดที่ขยับออกมาภายนอกอีกสองตัวรู้จักไหมอุตสาหไว้ขนาดนี้แล้วมันที่มีเป็นไหนหรอกตัวที่พาทําผิดเนี่ยวติภัณฑ์ทำผิดมันมีอยู่สามตัวเท่านั้นเองที่พายทาผิดหนึ่งสองสามใจเนี่ยกายวาจาใจนี่แหละ กายวาจาใจนี่แหละเป็นตัวที่พาทําผิดพอกายวาจาใจทําผิดปั๊บผู้เจ้าก็เลยบัญญัติต่ออย่างเงี้ยเราต้องรู้จักดีๆเพราะั่นแสดงว่าตอน้รกจะรักษาศีลทั้งหมดเนี่ยรักษาที่ไห น, ไหนอืมแค่ น, นั้นแหละนี่ก็ตอบผิดเองรักษาที่ใจถ้ามันใจมันรักษาไม่ได้แล้วไปรักษาที่ไหนต่ออ่ะเออ มันใจมันรักษาไม่ได้ใจมันไปกับอารมณ์หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าจาะไม่พูดกายไม่ทำอ่อย่างน้อยมันก็ไม่ออกมาข้างนอกให้กายคนอื่นเดือดร้อนอีกเราต้องสังเกตดีๆรักษาใจอย่างเดียวสติปัญญาการฝึกฝนระดับพวกเราที่คุกรีมารับโลกมากมายผิดศีลมาเยอะๆยังจะรักษาใจอย่างเดียวได้อะ มันต้องผ่านกระบวนการค้อมูลที่เขาฝึกฝึกที่จะควบคุมกายวายจามาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ชอบเอาไปอ้านกันเนี่ยรักษาศีลข้อเดียวรักษาใจแต่สังเกตไม่เวลาทาอะไรผิดปุ๊บเนี่ยไม่ได้สรวจสอบเลยว่ากายผิดหรือเปล่าวาจาผิดหรือเปล่าฉันรักษาศีลข้อเดียวรักษาใจพอทําผิดไปก็บอกอะไรอย่าไปยึดมันถือมันนี่ย นี่คือกานี่คือมีบัญญามากเกินไปบัญญามากเกินไปนะมีจะฟังธรรมะขั้นขั้นบรรลุขั้นหลุดพ้นไปหมดเลยจนพ้นไปไหนก็ไม่รู้ออกนอกออกวงโคจ ร, รเลยออกนอกเส้นทางที่พระเจ้าท่านสอนไปเลยอย่าลืมนะว่ายิ่งฉลาดมากเท่าไหร่กิเลกก็ฉลาดเท่านั้นแหละ มันไม่ใช่ อ, อะไรมากเช่นเราต้องดูกระบวนการมันตัวที่ทําผิดม่นมีอยู่สามตัวเป็นศีลเป็นพระพิสุสงฆ์ก็ตามคาราวะญาติโยมอะไรก็ตามรักษาศีลรักษาไม่ใช่รักษาอะไรมากรักษากายรักษาวาจารักษาใจแล้วสามตัวเนี้ว่าสามสิ่งนี้แหละมันเกิดพฤติกรรมที่จะให้ทําผิดใช่ไหม แล้วก็จะมีเรื่องราๆวๆมันมีตัวตรวจสอบว่าทำอย่างนี้ผิดนะผิดอย่างเงี้ยแล้วก็มาสแสดงอาบัติกันมาปรองกันอะพวกนี้นี่คือกระบวนการขั้นต่อมานั้นเราต้องดูดีๆว่ากระบวนการในการรักษาศีลเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็ดูดีว่าเวลาผิดศีลทางใจเป็นยังไงแล้วว่าคือปกติใช่ไหมว่าปกติทางใจเป็นยังไงอะ เราก็ยังไม่รู้เลยปกติทางใจเป็นยังไงแต่เราก็เอคนปก ต, ติเรายังไม่เห็นภาวะปกติทางใจมันเป็นยังไงและทีนี้เราจะมารักษาศี่ทางกายกับว่าใจามันก็จึงมีข้อบัญญัติให้ห้ามไ ว, ว้ว่านี่นะสิบห้า น, นะสิบแปดนะอย่างน้อยเนี่ยใจมันเข้าไปเสียบใจเข้าไปร่วมใจเข้าไปเป็นกับอารมณ์แล้ว แต่ว่าไม่ผิดข้างนอกไปก่อนเพราะข้างนอกเนี่ย ถ, ถ้าผิดอวบาจากข้างนอกปุ๊บ่มันจะถ้ากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมทั้งสามประการทำทำร่วมไปเนี่ยกรรมนั้นจะมีกำลังสูงที่มีสิทธิ์ที่จะทำต่ออีกแต่ถ้ามันหยุดพฤติกรรมทางกายทางวาจาได้สมมุติว่าคณว่าตัวกิเลสใช่ไหม ตัวโลภตัวตันหาใช่ไหมมันคือตัวทำให้ผิดศีลใช่ไหมที่ว่านะตัวอย่างเช่นง่ายๆะสมมติว่าเราสมาทานกินไม่กินข้าวเย็นนี่นะแต่ใจมันอยากอยู่แล้วละเวลากิเลสไม่ได้กินอาหารมันก็อยากใช่ไหมมันเข้าไปเสพแล้วละ่ะมันผิดปกติทางใจก่อนแล้วมันอยากแล้วมันก็เริ่มมีเหตุผลในการคิด นะน่เหตุผลในการคิดอย่างนั้นอย่า ง, ง, งนี้อย่างงน้นเหตุผลเดียวสุขภาพเบิ่งปัญหามากเราตั้งใจจะอดอันที่แรกตั้งใ จ, จอดพอตอนนั้นเราตั้งใจตอนอด น, นอะเราจะอดัดตั้งใ จ, จวันนี้ฉันจะสมาทานศีลนะแต่ว่ากินข้าวอิ่มแล้วแต่วันนี้ฉันสมาทานศีลแปดนะกินข้าวอิ่มแล้วความหิวไม่มีหรอกความอยากไม่มีหรอกความอิ่มแต่พอตกเย็นเข้ามาพบเนี่ยมันจะวัดดวงกันทีจะยังไง พอได้กินอาหารเห็นคนกินอาหารใช่ไหมได้กินอาหารเห็นคนกินอาหารปุ๊บความอยากในใจก็เกิดขึ้นมาแล้วคระมากในใจเกิดขึ้นมาปุ๊บมันไม่มีปกติของใจไม่เป็นปกติแล้วใจก็เข้าไปเสพความคิดเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นใช่ปะ่ะอ่ามันก็เกิดกระบวนการในการใช้กายจะใช้วาจาเดี๋ยวบางทีไม่ เ, ร, เราตั้งใจอจะรักษาจะ แต่วาจาของเพื่อนของพี่ของน้องไปหน้ะไปหน้าชวนเราอยู่นั่นแหละชิญเราอยู่นั่นแหละนี่คือคืออย่าดูกระบวนกันอะไรข้างในก็ออไม่เป็นไรเกรงใจเขาเนี่ยมันจะพูดดีมากเลยนะเกรงใจรักษามิตรภาพรักษากลัวเขากลัวเขาอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะบอกให้ขับฟังนะเป็นอย่างนี้นะกลัวเขากลัวเขาโกรธกลัวเขาไม่พอใจเขาจะคนพูดดีมากเลยเนี่ยมันกล่อมเราถึงกระท่าน เราไม่รู้เรื่องนี่แหละเอาหน่อยนะเนี่ยเอาหน่อยปุ๊บเนี่ยเราก็ไอ้ที่เราตั้งใจไว้ทั้งสองส่วนทั้งสามส่วนเนี่ยที่เราตั้งใจนะี่สองส่วนมันใจส่วนหนึ่งเนะี่ยมันหลุดไปแล้วมันผิดปกติไปแล้วส่วนนั้นอนะ่ะมันเสียศูนย์ไปแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าปกติเข้มใจคืออะไรแล้วไปฝึกเอาเถอะถ้ารักษาตรงนี้ได้ปุ๊บตัวอื่นมันจะไม่มันไม่กติ นั่นส่วนนี้พอส่วนนี้มันเผลอไปแล้วมันหลุดไปแล้วมันผิดศีลไปแล้วปุ๊บมันก็จะมีส่วนที่สองส่วนที่สองคือห้ามห้ามวาจากับห้ามกายไปทำํำพอห้ามกายห้ามวาจาไปทำปุ๊บส่วนนั้นยังหยุดอยู่ไหมยังไม่หยุดหรอกยังดิ้นอยู่แต่พฤติกรรมทางกายกับทางวาจาไม่ทําอันเนี้มันทีนี้พอมันดิ้นมากเข้ามาเข้ า, ม, า, ขามันไม่จะทําอะไรเลย มันก็จะเริกลับมาสู่ปกติของมันเราตั้งใจจะไม่ทำนี่วาใช่ไหมแรกๆมันจะนานหน่อยจะนานหน่อยเพราะเราเคยทำมาเราเคยทำทาแต่ละครั้งมันจะรวปกันทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเลยแต่ตอนนี้เราหยุดพฤติกรรมกายวาจาก่อนเพื่อเบรกมันไมไ ม, ใมออ่ให้มันออกให้มันออกปุ๊บตัวอย่า ง, งาานี่ชัดๆง่าความโกรธนี่จะชัดเจนมากเลย ควาโกรธเนี่ยจะชัดเจนว่ากเลยความโกรธเนี่ยนะคุณอยู่ข้างในอ่ะคุณคุณแล้วอึดอัดแล้วก็ขัดเคืองแล้วก็อยากทำใช่ไหมอื้มนั่นมันผิดนะปกติของจิตคือรู้ถ้าคุณผิดจากฐานรู้เมื่อไร่ถ้าคุณผิดปกติแล้วปกติของจิตนี่คือฐานรับรู้อารมณ์ตัวรับรู้อารมณ์เนี่ยเป็นปกติของจิต ให้รู้ไว้ถ้าคุณหลุดจากการรับรู้อารมณ์ตรงจุดนั้นเน่ยแค่กระทบสัมผัสแล้วคุณรับรู้อารมณ์ตรงนั้นแล้วคุณหลุดไปกับอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บแบบคุณผิดนะคุณหลุดไปจากฐานนี้แล้วนั่นศีลในใจคุณไม่มีแล้วพอศีล ใ, ในใจคุณไม่มีปุ๊บ ม, มันก็จะออกไปทางกายทางวาจาปกติเวลาแล้วดูดีๆปกติของ ห, หูเขาต้องรับรู้เสียงนี่คือความปกติของเขา ปกติของตาต้องรับรู้รูปปกติของจมูกต้องรับรู้กลิ่นสังเกตตัวถ้าวันไหนเรารู้สึกจมูกไม่ได้กลิ่นนี้เราสึกผิดปกติต้องไปหามหมอเห็น ไ, ไหมเนี่ยปกติของลิ้นก็ต้องรับรู้รสใช่ป่ะนี่คือปกติการทําหน้าที่ของเข้าตามปกติปกติของกายมันก็ต้องมีอย่างนี้ที่พูดถึ ง, งปกติของกาย กายก็จะมีการผัสสะที่มาเกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิ่งตึงไว้จ็บดถ้าเป็นอัมพุกอัมพาตนี่ก็เรียกผิดปกติแล้วล่ะใช่ไหมชีวิตผิดปกติถ้าเป็นอัมพาตไม่รับรู้ร้อนรับรู้หนาวเลยนี่ผิดชีวิตนผิดปกติใช่ไหมห ร, หรือเป็นปกติเนี่ยเป็นปกติฉะนี้ปกติของใจก็เหมือนกันใจมีหน้าที่รับรู้อารมณ์อารมณ์ก็มีหน้าที่เกิด แล้วคุณดูพฤติกรรมทั้งปกติอลยัจนาสิแล้วก็จะเห็น ป, ปกติของใจอ๋อใจมีเน้อที่รับรู้ไม่ใช่ว่าปกติก็เราคือใจสงบสงบนิ่งๆไม่มีอารมณ์อะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนอนะไปคิดเลยใจคือภาวะสำคัญรับรู้ที่ไม่รับรู้แบบให้มันโล่งๆ ว, ว่างๆไม่ไง คือปกติของใจเนี่ยมันมีอารมณ์อะไรก็รู้อารมณ์นั้นเลยรูอารมณ์นั้นน่ยแล้วผิดปกติของใจ ผ, ผิดปกติทางใจเกิดยังไงรู้จักไหมพอรับรู้แล้วเกิดพฤติกรรมในการแทรกแสงอยากเอามันออกอยากเอามันทิ้งนี่คุณสูญเสียความเป็นปกติของใจแล้วละ่ะมฉันเกลียดดีๆสิเพราะว่า ปกติของตามันต้องเห็นรูปใช่ไหมเห็นรูปปุ๊บคุณเกิดภาวะของการเห็นปั๊บเนี่ยนั่นคือตาทําหน้าที่ของมันถูกต้องแล้วแหละแต่ใจคุณรับรู้ไงโอ้รับรู้ว่าตาเห็นรูปรับรู้แบบเทคนิคเนี่ยนั่นก็มีความปกติของเขาอ๋อตาเห็นรูปก็คือเห็นรูปรูปก็สีก็คือสีแต่เห็นแล้วรู้สึกยังไงไม่ชอบขี้หน้าอันนี้คุณคุณเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ชอบขี้หน้า ไม่ชอบที้หน้าคุณก็รู้จักว่าเออนี่อารมณ์ไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วนะแต่ถ้าคุณผิดปกติเมื่อไหร่คุณเข้าไปแทรกแซงที่จะกําจัดอารมณ์ไม่ชอบเมื่อ น, นั้นแหละมเมื่อตรงจุดนั้นแหละคุณเสียศูนย์ของการรับรู้แล้วคุณแทนจะรับรู้ว่าตาเห็นรูปแล้วก็รู้แล้วนะเสร็จแล้วลงมาสู่ใจใจก็รู้ทําหน้าที่รับรู้เรียบร้อยแล้วแล้วเสร็จแล้วเกิดอารมณ์ซ้อนขึ้นมาอีกใจก็ทําหน้าที่รับรู้แล้วทีนี้รับรู้แล้วทีนี้ความอยากความอะไรเกิดขึ้นมาคุณก็จะเข้าไปทํา เนี่ยเสียศูนย์ฐานรับรู้แล้วเรียบร้อยเลยเสียศูนย์ปกติจังจุดนี้พอเข้าไปทำปุ๊บก็เกิดภาวะของความผิดศีนตั้งแต่ตรงนี้แหละใจผิดฐานแล้วพอผิดฐานปรับไปยังไงที่นี้นก็เกิดทางพฤติกรรมทางกายเวลาคนฟุ้งซ่านเป็นยังไงสังเกตไหมมันเดินพลาดไปทั่วนะสังเกต ง, ง่ายๆเวลาคนฟุ้งซ่านเนี่ยมัน เดี๋ยวดูดีย น, นี่เวลาคนฟุ้งซ่านที่มันพฤติกรรมออกประทางกายจะเห็นชัเเดเลยไปทุ่มออกไปหมดเลยอะไรไม่รู้แล้วเวลาคนฟุง้งซ่านทางใจเป็นไงเห็นอะไรก็พูดเหมืนทุกเรื่องเลยโทษทีพูดทุกเรื่องเลยเห็นัต้องพูดก็พูดไปพูดไปพูดไปวันๆทำงานหนักดูเพราะในภาวะแล้วภาวะที่ผิดปกติไม่ใช่ภาวะอดีตนะ ไม่ใช่ภาวะอนาคตเป็นภาวะขณะนี้อตรงจุดเนี้ใช่ไหมหรืออถ้าใครรักษาภาวะตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ารักษาตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ในช่วงกายกรรมว่าจีกรรมเนี่ยเบรกมันให้ได้เบรกก็ต้องเบรกให้ถูกด้วยเบรกไม่ถูกก็อีกหละเบรกก็คือให้มันเกิดอยู่ข้างในนั่นแหละ อย่าเอาออกมาข้างนอก <c oughs> แล้วก็ทําอะไรก็ทําไปตามปกติจะ ก, กินก็จะอาบน้ำจะทําอะไรก็จะข้างในมันขุ่นขุ่อยู่ก็ช่างมันเราก็ทําขนาวไปเราไม่พูดสัอย่างเราไม่ทําักอยากเหมือเราอยากกินกาแฟ <c oughs> เดินเห็นใบเดินก็อออกยากก็คืออยากใจมันเสียศูนย์จากการรับรู้ไปเสียอารมณ์อยากแล้วใช่ไหม <c oughs> จากการรับรู้นี่ความอยากเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไปรับเราไปรับรู้ผิดศูนย์ของการ ปกติในการรับรู้แล้วก็คือไปอยากพอไปอยากปุ๊บก็จะสร้างความคิดสร้างความคิดเข้าข้างมันนึกเกิดูมันจะสร้างความคิดเข้าข้างที่จะให้ทําตามมันไปดูดีๆสิมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันใจควาหากระบวนการในการคิดที่จะเข้าข้างเข้าข้างเพื่อเพื่อมาทําอย่างตัวเองทําแล้วตัวเองรู้สึกไม่ผิดนะ่ย มันมันน่าตลกมากไว้เลยนั่งรูวันนีอ้อ้าวมันจะทํำยังไงอา้าวทำไปเอาไปในเมื่อเราห้ามไม่ได้ละใจมันเสียสูนย์ละใจมันผิดปกติและ้ะใจมันผิดสีละอา้าวทีนี้ไม่เอากายกับวาจาออกก็ดูมันจะทำยังไงทําไปทำมาเรากาลังกินอยู่อะไรอยู่ข้างในเราก็ขุนขุนขุนอะไอย่างเงีก้กินไะไรเด่นไปรู้เรืเ่อยๆพอเรากลับมารู้สึกกับตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะสลัดตรงนั้นแล้วเร็วมากเลย กลับมาสุ่ฐานปกติเหมือนเดิมรับรู้ต่อตรงจุดนี้พอเราบาทีบางทีมีตัวอย่า ง, างเช่นบางทีโยมสามีภรรยาเถียงกันเถียงกันทะเลาะกันหว่าว่ากนที่ลูกลูกก็ลูกมันเล็กๆไม่รู้ทำไงกระโดดขึ้นตักแม่เลียกแก้แม่ที่หนึ่งแล้วก็หอมแก้อปจากหักแม่ตกใจกาลังทะเลาะกับสามีอยู่ตกใจ กลับมาอาักลูกทําอะไรเนี่ยลูกบอกเห็นแม่โกรธก็เลยทําแม่นี่สะอึกปุ๊บนี่ไอ้กรยังเถียงกับกันเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปเล้วไปกลับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ฐานฐานการรู้สึกขณะเดียวขณะเดียวตรงเนี้ยมันช่วยที่ทำให้เรากลับมาสู่ฐานปกติได้เร็วขึ้นปกติในการรับรู้อารมณ์ฉะนั้นอารมณ์เขาเกิดอยู่แล้วไม่ต้องไปเกิดต่อหรอก เขาเกิดของเขาอยู่แล้วเขาเป็นเขาอยู่แล้วแต่เรากลับมาฐานนี้ให้ได้เมื่อกลับฐานนี้ไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องสังเกตดูมันจะไปยังไงมันจะไปในแง่ลบในแง่บวกในแง่สง่งเสริมในแง่ป้องกันตัวอะไรเยอะแยะมากมายแต่เอาถ้าเมื่อว่าเราห้ามใจไม่ได้แล้วห้ามกายไม่ได้แล้วห้ามวาจาไม่ได้แล้วทาผิดแล้วเราจะต้องทํำยังไงต่อเพื่อที่จะทําให้ ศีลเรากลับมาแล้วจะได้มีฮิริโอตะปะระวังตัวต่อไปคือต้องเห็นโทษเห็นโทษของเขากับเห็นคุณของเขาเห็นคุณของเขาเช่นตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นกับเรานะแล้วถ้าเราไปทําตามโกรธนั้นโทษมันจะเป็นยังไงนับประมาณไม่ได้ แล้วแต่พฤติกรรมที่ทําแรงทําค่อยใช่ไหมอย่างน้อยต้องเห็นว่าถ้าสมมติว่าโกรธคนหนึ่งแล้วห้ามไม่อยู่มันมีเยอะแยะเนี่ยอย่างเราจะเห็นได้ชัดเวลาอสามีปรญญายอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยโกรธกันแล้วพ่อยิงเมียตายแล้วลูกทํำยังไงทีนี้ลูกทํำยังไง ชั่วแค่อารมณ์ผู้เดียวที่มันโกรธแล้วมันมันขับแค้นมันโกรธลันอึดไปเอาดีโชคดีนมันมีอุปกรณ์พร้อมล่ะพร้อมที่จะทําสนองตอบมันเนี่ยสังเกตดูที่เวลามันโกรธขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเท่าเอาด้วยกายไม่ได้เอาด้วยวาจาไม่ได้นะมันก็จะคิดหาวิธีที่จะเอาอันอื่นผสนองตอบช่วยมันเนี่ยสู้ไม่ไหวไว้ต้องเอาอุปกรณ์ช่วย พอไปทำแล้วเป็นยังไงหนึ่งมีโทษเนี่ยมีโทษคือต้องติดคุกติดตารางมีเรื่องมีราวใช่ไหมต้องได้รับบาดเจ็บดีไม่ดีนะเขาไม่ตายเราว่า จ, จะตายกันฮมีโทษสองเนี่ยจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วแค่อารมณ์เมื่อกี้เนะี่ยพอไป ท, ทําทางตามกายกับวาจาคุมีโทษถึงขนาดนั้นเฮีย พ, พอเห็นโทษพวกเนี่ยโอ้ถ้าทําไปนี่นะแล้วโทษอันนั้นมันไปที่ไหน มันก็ย้อนใส่ตัวเราอะใช่ไหมพฤติกรรมทั้งหมดที่นี่ที่เขาไปขังคุกขังคุกกันนีมนมันไปขังกายกับขังวาจาแต่ใจยังเหมือนเดิมออกมาก็เหมือนเดิมมันไม่ได้ไปล้างที่ระบบตรงนั้นไม่ได้มีศีลไงแต่ถ้าเรามีศีลปั๊บเป็นยังไงโอมันโกรธเขาไม่รู้โกรธขนาดไหนก็ตามใจเราห้ามไม่อยู่แล้วกายกับวาจาเราไม่ทา เดี๋ยวมันก็ดับมันเองอะ่ะแล้วไม่ทําอะมันอาจจะขุนอาจจะขุนเป็นแต่สังเกตดูมันจะขุนไม่นานอะแต่เดี๋ยวมีใครกระตุ้นก็ขึ้นไปอีกขุนขุนขุนเพราะไม่ใครกระตุ้นก็ขึ้นมาพอเดี๋ยวไปทํานู่นทํานี่ก็ลืมไปอีกเดี๋ยวมีใครกระตุ้นก็ขึ้นมาอี่อแต่เราไม่ทําตามอะ่ะกายกับวาจาไม่ทําตามมันะแต่ถ้าจะเป็นเอากายกับวาจาไปทําตามมันก็ดับใช่ไหมดับจะมมีผลมีผลถึง กายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมทั้งสามสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมใครที่เราเรียกว่าร่องลึกเนะร่องลึกร่องเคยชินปุ๊บปั๊บเอาเลยนี่แต่ถ้าเราระวังนะอะเราสมาทานแล้ว ร, รู้สึกออนฉันทําผิดแล้วที่พระท่านแสดงอาบัติเนี่ยคือแสดงสิ่งที่ท่านทําผิดสํานึกสิ่งที่ท่านทาผิดบอกสิ่งที่ทําผิดกับเพื่อนผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ บอกผมไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้มานะเนี่ยเหมือนเราเมันกันโอ้ทำผิดแล้วสารภาพกับตัวเองยอมรับว่าตัวเองผิดไม่ใช่แก้ตัวไปจนกรทั่งไม่มีตัวให้แก้แก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยจนกระทั่งโอ้ยไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วล่ะมันต้องสารภาพบ่าวว่าฉันทำผิดนะทัาเกตไหมเวลาเราไปว่าใครว่าอะไรใคร ไปกราบเขาแล้วขอโทษเขาจะมีไหมไ้ไม่มีหรอกไม่ได้เสียศักดิ์ศนระีเนี่ยป้องกันอีกแล้วไอ้นี่ไปกราบเขาขอโทษเขาแล้วก็บอกเขาว่าเมื่อกี้เยฉันผิดศีลไปนะครั้งหน้าช่วยเตือนด้วยมันจะเกิดได้ขึ้นมาดูไหมเมื่อเราไปทำย่างไงปุ๊บหนึ่งฮิริความละอายละอาย โอตปะความเก่งตัวต่อ ว, วิบากที่จะเกิดขึ้นจากมั น, นจากการผิดเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรักษาเส้นทีมีความสุขอเราเขาก็เขาเขาทุกข์เราก็ทุกข์เราไม่ต้องการอยากจะสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาผลสุดท้ายอะเราก็ได้รับมันจึงไม่สมควรไงอย่างน้อยเราอดทนกับมันเนี่ย อดทนกับมันเลครั้งนี้อดทนกับมันครั้งที่สองอดทนกับมันแล้วก็ฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อมจะเริ่มเห็นอันิสงค์ขึ้นมาโอ้มีความสงบขึ้นมานะมีความใจเย็นขึ้นมานะนใจที่เคยไปกับอารมณ์บ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วมันไม่ได้พฤติกรรมตามสนองตอบทั้งสงด้านเนี่ยทั้งกายกรรมว่จิกรรมโอ้สบายทิมก็จะเริ่มเห็นอันิสงค์ เมื่อเราสบายใจขึ้นมาแล้วอารมณ์เลยขึ้นมาปุ๊บถึงเราอยู่ฐานปกติของการรับรู้ไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่หลุดออกไปเอเดี๋ยวอารมณ์ก็จะหายไปเองหายไปเองหายไปเองเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มมีความสุขมากขึ้นมีความสุขไม่มีศัตรู <laughs> แต่ศัตรูเก่าไม่รู้ด้วยนะ <laughs> แต่ไม่สร้างศัตรูใหม่ไม่สร้างศัตรูใหม่ ไม่สร้างศัตรูใหม่กับใครทั้งสิ้นเอาศัตรูข้างในตัวเองอย่างเดียวเอาก็มันอย่างเดียวแล้วดูสิให้มันตายไปเลย <c oughs> อย่างนั้นแหละพอเราสงสารได้พวกเราจะเริ่มเห็นอันที่สูงคือทุกครั้งเมื่อเราทาผิดแล้วเราต้องสรารภาพแล้วต้องมีสัจจะตั้งแต่นี้ไปฉันจะตั้งใจทาตั้งใจทาเขาเรียกว่าสรารภาพบาป ต้องยอมรับตัวเองคนที่จะยอมรับตัวเองได้แล้วก็ประจานตัวเองได้ เ, เป็นคนที่จิตใจที่ไม่ใช่จิตใจแบบไม่ใช่จิตใจแบบหยาบหยาบนะมันเป็นปีจิตใจที่เป็นพระมากเลยนะไม่ใช่ ง, ง่ายๆนะจะบอกไอ้คนที่สามารถนี่จึงว่าก็มีแบบอิสระไอ้คิดก็กจะมีไงเข้าไปในบทสารภาพบาปคือเขาต้องการไปบอกให้ใครสักคนหนึ่งรู้ แล้วเป็นสักิบพยานแก่เขาที่จะช่วยเขาอย่างน้อยเราก็บอกกับตัวเองเนี่ยงั้นเราลองสังเกต ด, ดูเวลาเราทําผิดอะไรเวลาไปทําผิดอะไรพวกเนี่ยอุ้ยทำผิดไปแล้วไปขอโทษเขาดีๆแล้วก็บอกก็ด้วยขั้นหน้าค่อยเตือนหนวอยมีไหมไม่มี <c oughs> นั่นแหละคือจิตใจมันยังมันยังไม่อ่อนมันยังไม่ยอมมันยังไม่มันยังไม่ยอมรับควา ม, ม, ม, ม, มจริงเนี่ย แล้วจิตใจอย่างเนี้ยเราจะมาฝึกมันจะได้ไหมยากเพราะมันยังไม่ผ่านกระบวนการในการขัดเกลาในการควบคุมกายกับวาจาก่อนใช่ไหมพอเราควบคุมกับกายกับวาจาได้ปุ๊บกรนะบวนการในการตรงอย่ตรนี้มันก็จะเกิดภาวะขอากันระวังใจขึ้นมาจันได้รู้ดีๆเวลาเรานั่นเนี่ยกระบวนการในการผิด มันจะเป็นอย่างนี้และอีกอันหนึ่งเราต้องเห็นอั น, นิี่สูงเข้ามนในทางมุมข้ามเห็นว่าเมื่อผิดแล้วเนี่ยมันจะลงต่ำอย่างไงต้องเห็นว่าเมื่อรักษาได้แล้วจะขึ้นสูงอย่างไงมันจะได้มีกําลังใจไงจ ม, มีกําลังใจถ้าไม่เห็นทั้งสองส่วนเนี่ยปุ๊บเนี่ยบางทีมันมันไม่มีกําลังใจในการทำเขาเรียกบางทีต้องเห็นผลมันเห็นอั น, นิี่สูงเข้ามาด้วยเมื่อเรารักษาสิจะเป็นอย่างไรหนึ่ง อย่างน้อยถ้ารักษาไ ม, ไม่ไม่สร้างความโกรธไปไม่เอาความโกรธออกไปหรือไม่ทำเท่าก็เราก็ไม่มีศัตรูเพิ่มขึ้นเนี่ยใช่เราอยา่างเราอย า, อยากอยู่อย่างไม่มีศัตรูหรืออยากอยู่อย่างมีศัตรูถ้ามีศัตรูแล้วเราเดือดร้อนอะ่ะเสียวหน้าเสียวหลังไปไหนว่าไหนเสียวไปหมดเลยเฮ้ยมันจะเอาเราเัเมื่อไหร่วะใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีศัตรูเนะี่ยไปไหนเราก็สบายสบาย ไม่จําเป็นกลัวอะไรเนี่ยเราก็รู้จักว่าที่คขนไปไม่คขนไปเพราะใจนะถ้ามันไม้เข้าไปลงไปสู่เสพความโกรธแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีสิทธิ์ไปร่วมกับคนที่โกรธหรอกอย่าลืมเราลงไปร่วมอารมณ์อันใดเราจะไปเจอกับคนชนิดนั้นนี่คือเงื่นไขของมันมันเหมือนกับคนชอบเล่นไพ่จะไปไหนก็เจอแต่คนชอบเล่นไพ่ เพราะมันอยู่ในอารมณ์เดียวกันคนนะถ้าไปเสพอารมณ์อะไรอันหนึ่งปุ๊บแล้วมันจะดึงดึงคนทั้งหมดดึงพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็ใจของคนนะไปรวมกันหมดเลยในอารมณ์นั้นๆเนี่ยอย่างง่ายที่ก็บ้าชอบเล่นหวยกันเนี่ยดูสิมันไปไหนพระไหนบบหวยก็รวมตัวกันไปต้นไม้ไหนสักตีก็ไปขูดกันไปคือมันมันเป็นอารมณ์เลยนะถ้าเรารู้จักว่าโอ้อารมณ์นี่แหละ มันเป็นแหล่งรวมคนมันแหล่งรวมใจก่อนแล้วก็รวมคนก่อนแล้วก็มาในพู้ฉันชอบอย่างนี้อ่ะมันจึงมีอยู่เนี่ยถ้าเราดูพฤติกรร ม, มรอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันนี่ก็เรียกว่าถ้าใครลงไปรวมอารมณ์อะไรเนี่ยทีนี้ถ้าเราเรารวมคนที่เรามีอารมณ์ในการรักษาศีลเราก็จะรวมผู้ที่มีศีลไว้กับเรา เจอแต่คนมีศีลสังเกตดีเจอแต่คนมีศีลเจอแต่คนมีศีลมีธรรมเขาจะคุ้มครองเขาจรักษาเขาจกช่วยเหลือเพราะนี่คือเขาอยู่ในอารมณ์เดียวกันกันกบเราก็เรียทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิเสมอกันจึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าทิฏฐิขัดแย้งกันเมื่อไหร่แล้วก็มันอยู่ด้วยกันอย่างมีความทุกข์นะนั้นทิฏฐิเสมอกันจึงจึงจะรวมกัน ก็ตังเกจง่ายๆคนเขคนเข้าวัดก็มีหลายประเภทใช่ไหมคนชอบปฏิบัติก็จะมีกลุ่มคนปฏิบัติใช่ไหมคนทําทางก็จะมีกลุ่มคนทำทางใช่ไหมคนเชเื่อเครื่องรางของขลังก็จะมีกลุ่มของเครื่องรางของขลั ง, งเขาจะแบ่งกันไปตามอารมณ์คนที่หลงอารมณ์จะเป็นอย่างเงี้พอหลงอารมณ์ปุ๊บ ม, มันจะดึงกายดึงวาจาดึงใจไปแล้วก็จะไปรวมกันทำพฤติกรรมชนิดนั้น มันมองดูนั่งมองนั่งมองเหตุปัจจัยเข้ามาแล้วมันสนุกมากๆเลยโอ้อยังงี้ยังงี้ยังงี้ยังงี้แต่เรายังมองไม่เห็นเนะี่ยถ้าเรามีปกติมากๆเราจะเห็นพฤติกรรมของมันทั้งหมดเลยอามาแล้วไปยังไงต่อถ้ามันมีปกติเข้ามันมนะมันก็จะดูเฉยเฉยนั่นแหละไม่มีการแทรกแซงไม่มีการดัดแปลงสิ่งนั้นนั้นไม่มีการต่อเติมไม่มีการรักษาไม่มีการขับไล่ ไม่มีพฤติกรรมทำอะไรทั้งนั้นแหละนี่คือพฤติกรรมก้งศีลทีนี้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราจะอึดอัดไงถ้าเรายังไม่มีกำลังพอมันจะอึอดอ <c oughs> Pikachu, Ka ัดข่าวแข็ข่าแข็แต่ถ้าทนไปเรื่อยๆนะแต่ทนต้คงทนให้เป็นนะทนเรียนรู้การเกิดการหายของมันเนี่ยมันจะทำให้สิ่งนั้นสลายตัวแต่ทนแล้วเก็บกดเอาไว้เนี่ยมันจะรอวันระเบิด <c oughs> จะรอวันระเบิด แต่ถ้าจะทนแล้วเห็นมันพฤติกรรมมันเออ ม, ม, มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแนี่คือทนเรียนรู้แล้วก็ปลด ป, ปล่อยมันไปปลดปล่อยไปแต่ทนแบบรับเบอเนี่ยวันนี้กูทําไม่ได้หนึ่งหนึ่งกูหยุดไว้ก่อนคือข้างในยังจะรู้จักถ้าทนแบบอาฆาตเคียดแค้นหรือเก็บกดเนี่ยถ้าออกไปได้มากๆปุ๊บพฤติกรรมทางจิตจะเพี้ยนเพี้ยนไปอีกบางทีออกไม่ได้มากๆก็จะเพี้ยนพฤติกรรมทางจิตใจก็จะเพี้ยนไป เยี่แยๆแต่ถ้าเห็นสภ า, าะวะมันเกิดมันสลายมันเกิดมันสลายมันเกิดมันสลายเนี่ยมันจะทาให้จิตเนี่ยกลับมาสู่ฐานปกติเร็วขึ้นจำดีๆปกติของใจคือรับรู้อารมณ์ฝึกรับรู้อารมณ์นั่นแหละฝึกสีนเห็นทีนี้ฝึกสีแล้วมันจะไปเป็นสมาธิก็เมื่อรับรู้อย่างตั้งมัน่นก็กลายเป็นสมาธิ นะรับรู้่ยแล้วว่าตั้งมาแล้วเป็นยังไงก็เข้าใจเข้าใจอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นปัญญาเช่นตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยถ้ามีองค์ประกอบทั้งสติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่ด้วยกันมันจะทําให้ใจเนี่ ย, เ, ยเรียนรู้อารมณ์ได้ฉลาดขึ้นอาตมาก็ทําอย่างนี้แหละก็ทําอย่างนี้แหละแล้วบางทีก็รู้แล้วว่าอันนี้ยผิดไป ผิดไปในรู้ว่าบางทีเราผิดไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับบางทีมันมก็อ้างเหตุผลความจําเป็นแต่เราก็ต้องยอมรับถึงความจําเป็นก็ช่างแต่พระเจ้าทาว่าผิดไว้เพื่ออะไรเพื่อไว้ให้จิตเนี่ยมันหยาบเกินไปจนกระทั่งอย่างเมื่อวานทําผิดเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวเองทําผิดนะเพื่อ ย, ยอมรับอย่างน้อยเราก็ต้องเอาคําสอนพระเจ้าจะเป็นเป็นตัวตั้งไว้ก่อนละ ใจเรายังไม่ตั้งก็เอาเอาสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้เป็นตัวตั้งไว้ก่ อ, อใช่ไหมเพื่อเบรกพฤติกรรมของตัวเองให้ตรวจสอบว่าทำนี่ผิดนะให้รู้จักสํานึกผิดถูกไว้ก่อนไม่ใช่ทําไปแบบผิดถูกฉันก็ไม่รู้เรื่องตายตายก็ตายมันงเมื่อไม่รู้เรื่องปุ๊บมันจะมีปัญญาแล้มีอิทธออตบะที่ไหนใช่ไหมันเป็นอย่างนั้นแต่เร า, เาตัวตั้งไวก่อนจะเส้นห้าอย่างเงี้ยโอเคผิด ฉันต้องรับรับตัวเองก่อนใช่ไหต้องผิดว่าคือต้องยอมรับสามารถโทษตัวเองนะนี่มึงทำผิดนะมึงไม่ต้องมีเหตุผลแก้ตัวใดทั้งสิ้นเหตุคือผิดไอเหตุผลเน่ะไม่ต้องห่วงวเหตุผลแต่ละเหตุผลเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะลงโทษตัวเองอแต่ก็ข้างตัวเองทังนั้นแหละต้องบอกนี่คือผิดต้องรู้ว่าผิดนะแต่มันมีแต่กะ จำเป็นต้องทำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงหยุดได้หยุดแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้มันหยุดไม่ได้มันก็ต้องเอา้าแต่บางคนก็มีสัจจะเต็มที่เองขาเนี่ยเขาก็มีกําลังสูงอย่างไงก็ฉั่งฉันไม่ไม่ทำหรอกแต่เดี๋ยวเขาเขาเขามีสัจจะบารมีเขาจะขึ้นเขาจะมีคนเดิน ม, มาช่วยคนเดินมาช่วย มาช่วยคอยดูแลมาช่วยคอยจัดสรรสนันุนช่วยทําเรื่องนั้นน่ะแทนเขายังไงยังไงก็ตามฉันไม่เอา <c oughs> พระองค์ที่ท่านท่านมีท่านทําจริงๆรมียังไงยังไงก็ช่างบางทีพระองค์พระบางองค์ที่รู้ท่านป่วยต้องไปกินยาเนี่ยแล้วตอนเย็นเนี่ยมันมันกินยายาเป็นยากัดกับของใช่ไหมมันกินไม่ได้ต้องกินอาหารใช่ไหม มอก็มอก็ต้องให้ใช่ไหมท่านก็ไปไม่ฉั น, นฉันฉันก็ฉันได้แต่ท่านก็ฉันแล้วก็ก็ทนเอาทนเอาก็มีแต่พอทําไปจะมาปบเดี๋ยวก็มีคนเอาหา<บ>เครื่องมือมาช่วยเอาน้ำมาเอาน้ำปั้นน้มาถวายมาถวายแต่ท่านก็ไม่มีท่านไปแล้วไม่ยังไม่มีญาติที่ทไม่มีเรื่อบุญทากอะไรเนี่ยท่านก็บอกใครไม่ได้ ก, ก็มีคน<ม>พอบอกใครไม่ได้ท่านทาไม่ได้หมอสงสารเนี่ยจะทำยังไงยังไงท่านก็หมอพอถามท่านท่านก็บอกเออดีนะดีนะหรือจะตัวตัวอย่างเช่นพระอาหารหันต์ที่ท่านก็สารีบุตรที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นโรคลมหรือโรคอะไรแล้วต้องกินข้าวยาคูทีนี้พอท่านพอเทวดารู้ปุ๊บไปเข้าสิงโยมหรือไปประคับโยมให้ทําข้าวยาคูถวาย แล้วพระโมคพระสาพระโมคคลลานะไปบินดบัตมาได้มาท่านก็ตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่ท่านได้มาเนี่ยมันได้มาอย่างไงโอ้พระเทวดาอยากได้บุญได้กุศลกับเราแต่บังคับคนอื่นเขาให้เขาทํามันได้มาดีกว่าไม่บริสุทธิ์ท่านไม่กินถ้าท่านไม่กินปุ๊บท่านก็ทนมันก็หายรูกอย่างเนะี้ยถ้าโรคมันไม่หายเราก็หายต่นนั้นแหละก็มีสองอย่างแล้วเนี้ยนะ เ, เราจะอยู่กลางฟ้าเมื่อโรคหายแล้วโรคก็เป็นอีกใช่ไหม แต่ถ้าเรามีตัวนี้เป็นหลักเราก็ต้องต้องตรวจสอบว่าศรัทธาเราแค่ไหนที่จะฝึกฝนตนเองจิตใจเนะี่ยถ้าเราศนะรัทธาได้ก็โอเคแค่นี้อย่างน้อยโรคไม่หายเราก็ยังไม่หายแต่ก็ทนกันได้ก็อดไปอดไปเหมือนมาฝึกใหม่ๆอดเขายินใหม่ๆโอ้โหมันแสบทอ้องแต่ก็อดไปอดไปนานเข้านานเข้าปุา๊บสภาพร่างกายก็ปรับ ปรับสภาพร่างกายมันจะปรับตัวมันอยู่เรื่อยแหละปรับตัวให้เข้าที่ให้อยู่ได้มันจะช่วยตัวมันเองเลยมันก็กลับมาฉนันดูดีๆนะพฤติกรรมของของถ้าคุณรู้จักว่าคุณต้องรู้จักปกติของใจก่อนลองดูเองดูง่ายๆปกติของใจแค่แค่รับรู้อารมณ์แค่นี้มันมีอันนี้สงขนาดไหนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม รับรู้อารมณ์กับไปร่วมกับอารมณ์เนี่ยคุณสังเกตดูจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีก็ตามคุณไปร่วมกับมันเนี่ยมันมีโทษขนาดไหนก็เป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมสารพัดเรื่องสารพัดราวใช่ว่าที่มันเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะการแค่ว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นมาปก ป, กปกติข้างตาหูจมูกลิ้นกายใจปกติข้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันทําหน้าที่กันแล้วคุณก็ทําหน้าที่รับรู้แล้วแต่คุณรู้แล้วมันไม่แล้วมันคุณผิดศีลทีงจุดนี้ก่อน พอปิสินจนนี่ปุ๊บคุณก็เอียงไปเพระเอียงไปปุ๊บพฤติกรรมก็วุ่นวายใช่ไหใช่ปะ่ะวุ่นวายเนี่ยคุณก็เห็นโทษมันเนี่ยเอาไปสนุกสนานกับความสนุกแล้วเป็นยังไงเลยบางทีไปสนุกจนกระทั่งเสียไปเลยก็มีเพราะความสนุกใช่ไหมแต่ไปทํากับความไม่ดีเป็นยังไงทํากับเราไม่ชอบเป็นยังไงคุณต้องเห็นความพอใจมันมีโทษยัยงไงความไม่พอใจมันมีโทษยัยงไงแล้วคุณไปทําตามมันเกิดผลวิบากคําของคุณเป็นยังไงอีก ก็ณกร็รู้อยู่นะแล้วคุณที่จะมาฝึกรู้มันเฉยๆเนี่ยนะคุณสบายกว่ามันเท่าไหร่คุณต้องเห็นดังสามอยเออฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับตรงนั้นใช่ไหมเมืม่อไม่วุ่นวายฉันก็สบายเนี่ยคุณลองเห็นดีๆถ้าเราเห็นกันชัดๆตรงนี้ปุ๊บ เ, เราก็จะรู้จักโอ้ฉันรู้ซื่อๆในแหละดีที่สุดแล้ว รู้ขนาเดียวเห็นการเกิดการหายของอารมณ์ไปตรงนี้แหละคือที่อยู่ที่ปลอดภัยที่สุด <c oughs> แล้วก็เป็นที่อยู่ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยไม่ไปไหนละ่ะตรงนี้ที่นีย้วก็เมื่อมันได้อันดิสงตรงจุดนี้โอ้เห็นโทษไปผิดศีลแล้วเป็นยังไงเห็นโทษไปกับอารมณ์ชอบใจแล้วไปแก้อารมณ์ชอบใจแล้วไปจัดการอารมณ์ชอบใจแล้วไปห้ามอารมณ์ชอบใจ อย่างนั้นชอบอารมณ์ชอบใจแล้วก็ไปรักษาอารมณ์ชอบใจแล้วไปคองอารมณ์ชอบใจแล้วไักษาอารมณ์ชอบใจแล้วก็อยากให้อารมณ์ชอบใจมีเยอะๆเป็นยังไงอุ่นวายอุบนวายไม่ชอบใจก็อีกเหมือนกันเมื่อกี้พูดผิดเอพอเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจมาแล้วก็อยากทําลายอารมณ์ไม่ชอบใจแล้วก็พยายามกั้นอารมณ์ไม่ชอบใจพยายามกดอารมณ์ไม่ชอบใจแล้วพยายามหนีอารมณ์ไม่ชอบใจแล้วเป็นยังไงอุบัวัยผิดปกติ อ้าวรับรู้อ้าวมันมาแล้วมันไปแล้วมันมาแล้วมันไปแล้วมาแล้วมันไปแล้วมันมาแล้วมันไปแล้วมาแล้วไปแล้วเป็นยังไงเออสบายดีไม่ต้องวุ่นวายแหนเนี่ยพอศีลตัวในเกิดสภาวะขึ้นมาปั๊บรับรู้ในปกติปุ๊บพฤติกรรมทางกายวาจาจะเป็นไปไหมนั่นก็ไม่เป็นเนี่ยก็ฉันดูข้างในก่อนแล้วอะ ไม่ผิดจากข้างในอ่ะข้างนอกจะผิดไหมอมืทีนี้เวลามันไม่ผิดจากข้างในแล้วปุ๊บมันจะมีเวลาจะใช้ข้างนอกปุ๊บมันจะตรวจสอบฉันจะพูดเนี่ยจะพูดยังไงแตมาบางทียังตรวจสอบไม่ก็ได้บางทีหลุดออกมาแต่ละคำบางทีแต่ละเนี่หลุดออกม า, า, เ, า, ออกมาเพราะบางคนถ้าพูดแบบที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างนึงมันจะสะใจกว่านี้คาพูดระยองอะ่ะ อันนี้พื้นฐานเก่ามัหลุดออกมากเนี่ยว่าจะมีถ้ามันมีความปกติตรงนี้ผมจะมีเวลาตรวจสอบอา้าวมันคิดแล้วจะพูดแล้วจะทําแล้วดูซิว่าเรื่องนี้สมควรทำไม่สมควรทํามันจะเร็วมากนะมันไม่จะช้านะมันจะสมควรทําไม่สูญควรทํามันเป็นยังไงเนี่ยมันจะมันจะเร็วมากอ๋อนี่สมควรทําก็ทําทําแค่ไหนทําแค่นี้เกินไปทำแค่นี้พอดีแล้วมัน มันมีข้งมันหมดนะถ้าเราดูอย่างเฉยๆได้เนี่ยโอ้มันจะเห็นกระบวนการข้งมันอย่างว่ามันมันอันนี้สงฆ์มันอยู่ดีตรงนั้นเนะี่ะพนง่ายๆถึงคุณสร้างเหตุปั๊บเนี่ยอันนี้สงฆ์ตรงนั้นอันนี้สงฆ์ตรงนั้นทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นมาให้คุณเห็นเหมือนคุณคุณไม่พอใจแล้วคุณสร้างอั น, นิสงฆ์ไม่พอใจไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดโทษของคุณจะเกิดมาก็เห็น โทคืออันนิสงที่เกิดที่นั่นแหละเมื่จะเหน็นก็เห็นชัดเพราะว่าคุณอยู่ตรงนี้ก็จะมีอันนิสงตรงนี้เกิดเพราะมันเพราะมันอยู่ตรงนี้มันไม่ไปตรงไหนแต่คุณข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาคุณไปเอาฝากข้างนู้นไปฝากข้างนี้อยู่ด้วยคุณก็ได้แต่คุณเคยแก่แต่ภาวะพวกนั้นแหะ คุณเคยกับอนที่สมความชอบใจทําให้หลงทําให้ลงืทงทําให้อยากทำให้เผลอทําให้เพลินทําให้ชอบนะไปใช่ไหมแล้วก็มีโทษเขามันเนี่ยหลง เ, งเลินเผลอชอบไปมากมาก็มีโทษเขามันในนั่นแหละถ้าคนไม่ไม่พอใจคนก็ไปทําทําตามความไม่พอใจมันก็โกรธก็เกลียดก็ทําลายก็ทําลายล้านก็ไปทะเลาะเบาแว้งไปเข็นไปฆ่าไปแย่งไปชิงอะไรก็ามากมายอันเช่นโลภะ ก็มีอนิสงค์ของโลภะเขาเรียกว่าโทษของมันมีก็เรียกอาทีนวะโทษโทษของมันโมหะมันก็มีโทษของมันโกรธก็มีโทษของมันสติมันก็มีคุณของมันศีลก็มีคุณของมันสมาธิก็มีคุณของมันปัญญาก็มีคุณของมันนี่เราจะทําไงทีนี้ คุณเลือกได้ไม่ใช่คุณเลือกไม่ได้คุณอย่าปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมกรรมทั้งหลายทั้งปวงคุณทำเองแล้วคุณปล่อยไปตามยถากรรมนั่นคือคุณเกิดมาเสียชาติเกิดคุณมีสิทธิ์จะไปสวรรค์ฉันก็ไปได้จะไปนรกฉันก็ไปได้จะไปสู่ทางพ้นทุกข์ฉันก็ไปได้แต่ฉันไม่ยอมไปปล่อยชีวิตไปตามกระแสของอารมณ์ มันพอไปกปล่อยไปกระทงกระแสของรวมก็จะไปเจอกับอารมณ์คนอื่นๆใช่ไหมก็บอกแล้วมันรวมไว้กันแหละใครชอบอะไรก็รวมกันอย่างนั้นแหละพอไปรวมตรงนั้นปุ๊บก็เกิดภาวะต้องการสร้างกลุ่มสร้างก้สร้างองค์กรสร้าง โ, รางโจรด้วยกันมันยังรวมตัวเป็นกลุ่มโจรด้วยกันเนี่ยนั้นคุณถ้าคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณรักษาแบบนี้เนี่ยชีวิตของคุณจะไม่ได้เรื่องเดือดร้อนอะไร ใช่ไหมนอกจากว่าวิการกรรมเก่าที่เราเคยมีอยู่มันจะต้องมาประโคโชจรด้วยกันมาเจอกันเหมือนกับเราเห็นอา น, นิสงส์การรักษาศีลเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยอย่างสบายแล้วอย่างน้อยเราก็มีความสุขของเราแต่ละวันไม่สร้างคุณสร้างโทษให้แก่ตัวเองแล้วก็สร้างประโยชน์ให้คนอื่นปใครเห็นเรามีศีลพวกเขาก็มีความสุขไม่ต้องไม่ต้องไปเท่เาไหรจ่ายเกันก่อนให้เขามีความสุขหรอกเออ เวลาโกรธมาอันนี้มันเย็นได้ฮะนะม่ก็สบายใช่ไหมเขาก็ได้ความสุขแผ่ความสุขจากการมีสีให้เขาเนี่ยฉันมีปกติอย่างนี้โกรธมานะฉันก็รู้ว่าโกรธฉันไม่ใช่ไ ม, ม่รู้ไปโกรธแต่ฉันรู้ว่าโกรธแล้วฉันรู้แค่รู้รับรู้ฉะ น, นั้นเวลาไปภาวนาพุแบบเราสังเกต ด, ดูพวกเราทำดีจะมุ่งกําจัดมันอยู่นั่นน่ะ สังเกตตัวดีๆสิเวลามภาวนาจะมุ่งกันฉันฟุ้งซ่านจะทํายังไงว่าสงบอย่างนี้เราจะเป็นยังไงต่ออะไรเวลาเป็นอย่างไงเป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงต่อมันก็เป็นให้ดูอยู่แล้วเป็นเกิดแล้วก็เป็นหายก็เป็นให้ดูอยู่แล้วเราจะไปอะไรยิ่งเวลาเวลาไปทํำอะไรคือทําแล้วต้องตั้งเป้าไว้ชัดว่าปกติของใจเป็นยังไง แล้วก็อยูป่ปกติของใจให้ได้พออยู่ได้ปุ๊บสิทธิ์ก็จะมีพอสเสธิม์มีปุ๊บกายวาจาร ก, ก็จะมามันไม่ใช่เรื่องอะไรซับซ้อนอะไรเลยมันเรื่องซื่อซือซื่อจําแบบซื่อบื้อก็ไดไ้รู้หมดแหละใครทํายังไงอะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวฉันไม่เอาด้วยฉันไม่ถือสาเพราะเอาไปแล้วมันเป็นยังไงมันมีคนมีทุกคนมีประโยชน์กันฉันเข้าใจมันหมดอ่ะฉันไม่ใช่แบบ กดมันไว้ขบมันไว้ห้ามมันไว้แล้วไม่รู้เรื่องกับมันใช่ไหมเหมือนเรารู้เรื่องเรื่องหนึ่งเราสามารถทำได้อย่างบางคนรู้เรื่องไฟฟ้าคนรู้มากเนี่ยเขาจะไปพูดมากหรอกไอ้คนรู้น้อยนะ่จ ะ, ยนนนยนจะพูดมากเนี่ยว่าอยางกับตัมานี่ม่รู้น้อยเลยพูดมากคนรู้มากก็ไปพูดมากหรอกเขารู้หมดเลยว่ามันจะทำแล้วมันจะเป็นยังไงยังไ ง, ไง แต่เขาไม่พูดว่าให้มันเรียนรู้แทนเรียนรู้เพราะถ้าไปบอกมันแล้วมันเถียง <c oughs> เอาแ้วก็เอาเลยขอเสียมางไม่เสียบมันช่างมันให้มันเรียนรู้เนี่ยถ้าคนก็รู้มากเขาจะไม่เคยพูดเพราะเขารู้ที่เขารู้มากไหมรู้ถึงคุณรู้ถึงโทษรู้ถึงประโยชน์รู้ถึงทางออกนี่เขารู้ครบไอ้เราเนี่จะเอาสงบแล้วไม่รู้จะออกจากสงบยังไง <c oughs> มั่วแท้ ท่านจะทํำยังไงกับวันทํำยังไงกับวัโอ้คุณก็ทําง่ายๆก็รับรู้มันซื่อๆก็นี้แหละนมันเกิดยังไงก็เกิดมาจาเราอยู่กับจิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นปกติเมื่อก่อนตมาคิดยังไง ร, รู้ไห ม, มันต้องไม่มีอารมณ์ก็เลยมุ่งมั่นที่จะทําลายอารมณ์ให้หมดเพื่อเข้าสู่จิตปกติบางช่วงมันจะ ม, มีโอ้ใช่แล้วอันนี้แหละ หายอีกโอ้คนเดก็โหยคนนู้นอีกเกลียดคนนอีกเบื่อกนนนอีกแสงนั่นอีกวุ่นวายเราจะเป็นปกติสักทีวะนี่มาพอมาดูโอ้ปกติคือรับรู้อารมณ์ก็ตัวแสดงออกมาตามปกติเลอารมณ์โกรธมันก็ต้องแสดงบทบาทของความโกรธใช่ไหมอารมณ์ชอบก็แสดงบทบาทของความชอบใช่ไหมก็แสดงไปตามปกติของมันน่นั่นคือปกติของมันน่ะแต่เราผิดปกติอ่ะ เรามีหน้าที่รับรู้เหมือนเราไม่หน้าที่ดูอ่ะละครก็ก็แสดงไปสิแต่ เ, เราไม่ยอมทําหน้าที่ดู <c oughs> ไม่ทาหน้าที่จัดการเพรามันผิดปกตินี่ว่าควาจะรู้ว่าโ อ, โอ้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังผิดอยู่นะอย่างโจ้ก็ผิดของโจ้ก็กลับแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกก็ไม่กลับได้ไวหน่อยเพราะเรามาจเจริญปัจจุบันขนาดตัวปัจจุบันขนาดนี้จะปรับให้เราได้ไวมากเลยปรับอารมณ์เข้าสู่ปกติได้ไวมาก เพราว่ามันเห็นผ่านเห็นผ่านเห็นผ่านเห็นทั้งที่เราทํามันก็ดับเห็นทั้งที่เราไม่ทำมันก็ดับพอเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าพุ๊มันจะเริ่มเฉยกับอารมณ์เองเ่ะแต่ตัวอารมณ์ก็การแสดงตามบทบาทนี้เขาเองเลยเพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้พ่าเขาแสดงปั๊บเนี่ยเราจะรู้กระบวนการทั้งหมดว่ามันเกิดยังไงมีโทษยังไงออกมันจากยังไงแล้วปล่อยวางมันแบบไหนต้องภาวนาให้ได้แบบนี้ ถ้าพอนะแล้วมันยังไม่ได้แบบนี้มันก็ยังยังไม่ได้ทางอ่ะยังไม่ได้ทางตัวเองยังไม่ได้หลักของตัวเองทาได้หลักของตัวเองแล้วเนี่ยทีนี้มันจะอะไรอ่ะมันจะมันมีผลของมันอยู่เรื่อยแต่ผลจะสมบูรณ์เมื่อไหร่นั้นเราต้องรอเพียงแต่เราทำเหตุเหมือนกับเราต้องการทำให้ต้นไม้โตเนี่ยเราไปเร่งมันได้ไหม ปกวันนี้มึงออกดอกพวกนีกนน้เลยนะได้ไหมไม่ได้แต่เรามีนี่ดูเหตุมันสิเหตุมันสิทําเหตุสนุกกับการทําเหตุที่ถูกต้องต้องบอกว่าที่ถูกต้องด้วยสนุกกับการทําเหตุที่ถูกต้องผลอ้าวมันสูงกว่าเราไปแล้วแค่อทิษณเดียวเดือนเดียวเอาสูงกว่าเราไปแล้วนี่หว่าเมื่อก่อนมันเทียบกว่าเรา มันเริ่มสูงเพราะเรามันเริ่มแตกกิ่งแตกก้างแตกสาขาใบเริ่มหนาเริ่มถโกต้นเริ่มใหญ่ใช่ไหมเริ่มมีนกมาอาศัยเริ่มมีแมลงมาอาศัยแก้นกินอยู่อเริ่มมีดอกมีผลให้เราได้ชื่นชมเราเราได้กินอีกขบวนการเหล่านั้นเราทําได้ไหมไม่ได้จารจะฝูกฝังจิตใจก็เหมือนกันไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ภาวะแบบนอกชั้นใดภาวะแบบไหนก็ชั้นนั้น อันนี้เราจะเอาแต่อยากอยากยากให้มันแวบบเป็นแวบบเป็นแวบบเป็นแต่ไม่สร้างเหตุของมันเขหยันสร้างเหตุสิผลมันจะมีมาเรื่อยๆช่วยมาให้เราเรื่อยๆให้เราได้ปล้มใจให้เราได้สบายใจให้เรามีความสาขุขใจกันเรื่อยๆของมันนั่นแหละนะจะไปเรียบร้อนเท่ารีบนะให้รีบทำอะไรรีบทำเหตุอย่าไปรีบร้อน เ, นะอ เ, ออเอาผลนึกฝึกยิง่งสบายมานละ นี่คือการมีศีลปกติของอารมณ์เราก็ต้องเข้าใจมันตามีปกติในการเห็นรูปหูมีปกติในการได้ยินเสียงจมูกมีปกติในการรับกลิ่นลิ้นมีปกติในการรับรสกายมีปกติในการรับสัมผัสใจก็มีปกติในการรับรู้อารมณ์แค่นั้นแหละและตัวใจคือตัวปกติคือตัวตัวรู้อารมณ์ตัวรู้ตัวผู้รู้นี่แหละตัวผา้อรู้นี่แหละนะ เมื่อ ใ, ใจมันมีปกติปุ๊บมันก็จะไปควบคุมศิ่งทางกายกับวาจาแต่ช่วงไหนที่มันยังมันยังควบคุมข้างในไม่ได้ก็ควบคุมข้างนอกเอาไว้ผิดก็ต้องยอมรับผิดกล้าไหมไปไหวเขาขอเข้ามาเขาบอกเขาแล้วแล้วก็บอกเขาอ่ะช่วยเตือนฉันหน่อยนะเวลาฉันเป็นอีกเนี่ยอย่างนี้ แล้วมันจะทํายิ่งทํากับคนชนิดไหนถ้าทํากับคนมีอํานาจเนี่ยหรือทกับคนสูงสูงกว่านี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทํากับคนต่ําฝาเนี่ยยอดมันมีด้วยนะไปทํากับคนก็สูงฝาขงเขาก็สูงกวา่าไม่เป็นไรไม่กลับเขาก็ได้ขอมาขอเขาก็ได้ขอคุ้ไม่นั่นนะแต่ทำกับคนที่ต่ําฝาเนี่ยโอ้โหไปด่าขอทานแล้วไปขอดูดขอทาน มันมันคุกมันวัดถึงอะไรวัดถึงจิตใจที่มันมันยอมมันยอมมันยอมแพ้ยอมรับทุกอย่างโอ้มันได้ขนาดนี้อ่ะเพราะจะนั้นางนี้ปุ๊เนี่ยอย่างน้อยเราภูมใจเราแล้วนี่คือเรื่องศีลแล้วต้องเห็นอันที่สูงกวามาันในการรักษาเพสุดท้ายศีลทั้งหมดเนี่ยมันรักษาอยู่สามช่องทางเท่านั้นเอง ไม่ต้ระวังมากระวังสามช่องทางท่านันเองแล้วก็สานึกบากให้เป็นอผิดแล้วก็ผิดสมาทานใหม่อย่างเงี้ยมันจะมันจะสมมติว่ า, า ง, ง่ายเราไปว่าใครสักคนหนึ่งแล้วเรายอมรับเราผิดเราจะสร้างวิริย์สร้างศัตรูใช่แต่ถ้าทำผิดกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่ยอมขอโทษเราจะสร้างวิริย์เรสร้างศัตรู เขาจะรอการเอาคืนนั่นเราชีวิตเราเราใสาา <S <S า่สบายแนละนี่หมดแลังนั้นให้รู้จักดีๆนะนั่นภาวะของการรู้ขณะเดียวขณะเดียวเนี่ยจะช่วยปรับจิตปรับใจให้เข้าสู่ฐานฐานขก็มันก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะบางทีเขาพูดเข้าฐานนี่ ย, ยังเข้าฐานนี่ ย, ยังก็ไปคิดหาฐานอีกหลายๆคนเนี่ย คือการรับรู้อารมณ์นั่นแหละถ้าเรารับรู้อารมณ์ได้ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรแสดงว่าอยู่กคาฐานแล้วละ่ะนะรับรู้เห็นอารมณ์มันมาผ่านมาผ่านมาผ่านมาผ่านมาผ่านัแหละได้ฐานแล้วละ่ะบางทีเมื่อก่อนคิดเข้าฐานหรือยังเข้าสารอยะฐานยั ง, ยงไกลมาคือคําพูดของครูอาจารย์บางทีเราเราเร า, เราไม่เข้าใจภาวะของท่านะเราไม่มีใครบอกให้เราอะ่ะ แล้วก็มีฐานจินธรรการเราตามฐานเราเท่หน้ฐานเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแต่ไม่รู้ถูกก็บ่าวเช่นคำพูดบางคาพูดนี่มันจะต้องมันมนัมันหลายอย่างนะจะให้เห็นให้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ค่อยเจริญไปไปเรากลับไปบ้านแล้วก็ฝึกฝึกระวังกายฝึกระวังวาจาถ้าใจยังระวังไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มันไม่ออกมาก็ช่างมันเดิมก็หายไปเองแล้วก็เรียนรู้ขณะเดียวสั้นๆสั้นๆเรื่อยๆเพราะมันจะทำให้จิตเนี่ยสลัดอารมณ์เร็วได้เร็วนะไอเกตูมันสลัดอารมณ์ได้เร็วนะช่วยๆกันกรบเงยก็แล้วกันร้องใครก็ร่องมันจบกรบกุบเอาไว้อย่างน้อยให้ไม่ร่องนี้ไว้ ตอนนี้อยากทาจะลงร่องนี้บ่อยร่องทั้งหลายที่เกิดร่องใจทั้งหลายที่ทเกิดขึ้นมาใครทำให้เราใครขุดให้เราแล้วใครตะกรบให้เราแล้วก็ต้องมาเสาะร่องใหม่ตอนนี้เราเสาะร่องปกติเสาะร่องรับรู้ปกติถ้าพูดอย่างนี้พวกทุกคนก็จะเออมีกำลังใจในการทำใช่ไหม ให้เห็นเออเอเออย่าง น, นี้เพื่อส่งเสริมกันเออต่อไปฉันจะมีกําลังใจในการทําตัวนี้อยู่กับตัวนี้พัฒนาตัวนี้ เ, เดี๋ยวฉันก็หลงไปต่ออีกเอาละเมื่อไหร่มันได้ร่องแล้วแหละมันได้ร่องเมื่อไหร่มาแล้วลเดี๋ยวมันก็ไม่ไปแล้วละ่ะฉันต้องทําร่องเองแล้วกัน ฉันอย่าไปหาโทษใครนะตั้งแต่นี้ต่อไปกลับไปไปโทษคนโน้นโทษคนนี้ไม่ต้องไปโทษใครแบบเรนะี่ยหรือไนิ้วชี้หาคนอื่นนะมันนิ้วเดียวนะชี้หาตัวเองนะห้านิ้วนะตัวเองก็แหละนะงั้นเราก็อย่าไปอย่าไปอะไรกับมันรักษาศีลคือความเป็นปกตินะไม่หน อ, ออกมาพอนะ เ, เข้าใจเรื่องศีล น, นะแล้ววิธีรักษาก็ง่ายแค่สามส่วน ระวังสาส่วนเท่านั้นเองและไอที่เบัญญัติขึ้นมาเองคืสิ่งที่ก็ทําทผิดไปแล้วเขาก็เขาก็บัญญัติข้อกติกาข้อห้ามเอาไว้เพื่อให้คุณรู้จักเบรกตนเองแล้วถ้ามาเจอบางทีเ้าบางรูปทีนะอย่างข้อเรื่องเขอเรื่องรับเงินรับทองเนี่ยท่านรับไปท่านก็ไม่ยอมรับมาตนเองผิดนะยุคไหนสมัยใหนแล้ว แต่นี่ไม่ไดว่าท่านะยุคไหนสมัยไหนแล้วนี่เราก็จะรย์จะรูป ค, คือคือที่ชี้นี้นี่บอกว่าคนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเวลาทําผิดก็เอาคําพูด ส, สูงมาแก้ตัวไม่ยอมรับตัวเองว่าผิดปกป้องป้องกันเล่เหลี่ยมแล้วนั่นแหละคืออะไรรู้ไหมมารยาที่หลอกจิตเขาคุณเองแล้วจิตต้องคุณก็จะถูกหลอกไปเรื่อย คุณไม่มีสิทธิ์กลับมาเส้นทางซื่อๆได้เลยแล้วคุณสร้างมัญจาให้คนเองอ่ะทุกครั้งที่คุณมีมัญจาแล้วคุณสนอามัญจาเหล่านั้นมัญจาเหล่านั้นก็จะซ้อร้องในใจไว้เห็นโทษไหมอืมเรื่องนี้แทนโทษเราซื่อๆกันดีกว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปมีฟอร์มนักปฏิบัติอย่างเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปปล่อยให้ทุกอย่างมันทํางานขึ้นมนแล้วก็ดูมันไปเรื่อย ก็สบายดีนี่ไม่ต้องเป็เด็ดเหนื่อยอีกกับภาวะต่างๆผนซ้ายจว่าเข้าใจัไหมเข้าใจไห ม, <c oughs> ไหมแล้วก็ฝึกทำกันต่อไปเช่นทุกๆขณะแล้วทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดที่พูดเนะี่ยเขาเกิด อ, อยู่เดี๋ยวนี้เกิดอยู่เดี๋ยวนี้ ไม่ได้ไปเกิดก่อนหรือไม่ได้ไปเกิดที่หลังนั้นเราจะจะง่ายที่สุดเลยทีนี้เราไว้รักษาศีลเก็เตรียมตัวไว้ปัจจุบันขนาดนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยเป็นหลักไว้อันเรื่องทั้งหมดมันจะมารวมอยู่ตรงเนี้ยจะผิดกับตรงนี้จะถูกกับตรงนี้จะปลอดภัยจะรอดได้กับตรงนี้แลง้นไม่ต้องไปทําอะไรมากเตรียมสติไว้เตรียมสมาธิไว้เตรียมศีลไว้แล้วก็ฝึกกิจรับรู้อารมณ์ไว้เล่นไป เล่นไปเล่นไปอน้ายก็จะเข้าใจเล่ฝากไว้กลับไปบ้านก็ไปอย่างน้อยก็ไปรักษาใจมันเป็นยังไงก็ยังเอาใจไว้อยู่ก็เอากายก็ว่าจะให้อยู่ก่อนเพราะมันง่ายกวา่าใช่ไหมแล้วมันจะมีผลกระทบคนอื่นด้วยท้ายที่สุด น, นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจบารมีศีลสมบูรณ์น่ามีศีลสมบูรณ์แะมีศีลไว้ปกป้องรักษาตัวเอง มีศีลไว้ควบคองกายวาจาใจจะได้พบกับความสันติสุขด้วยกันดูท่านทุกคนเถิด